วิธีขอสิขาสมมุติและกรรมวาจาให้สิขาสมมุติกุมารีอายุ18ปีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ภรมอุตราสงฆ์เวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษณุณีทั้งหลายแล้วนั่งประยะุกพระนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นกุมารีของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุ18ปีขอสิขาสมตุติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงฆ์พึ่ง ขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สามพิกษณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า1125แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้ากุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุ18ปีขอศิขาสมมติในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงถ้าสงพร้อมแล้วพึงให้ศิขาสมมติในธรรมหข้อ เป็นเวลาสองปีแก่หญิงสาวผู้มีอายุ18ปีนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้ากุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุ18ปีขอสิกขาสมมติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงฆ์สงฆ์ให้สิกขาสมมติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีแก่กุมารีชื่อนี้มีอายุ18ปีแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้สิกขาสมมุติในธรรมหกข้อ เป็นเวลาสองปีแก่กุมารีชื่อนี้มีอายุ18ปีแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงสิกขาสมมติในธรรหกข้อเป็นเวลาสองปีสงให้แล้วแก่กุมารีชื่อนี้มีอายุ18ปีทีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เพิ่งบอกกุมารีมีอายุ18ปีนั้นว่า เธอจงกล่าวอย่างนี้ว่า1ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี 2. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี3ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากพฤติกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี 4. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการพูดเท็จโดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี